บทที่เจ็ดสิบห้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำดังที่หลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าได้ทำนายไว้เพราะในพรรษาที่ห้า พระเจริญก็หาเงินได้ครบสี่สบมืนตามที่สงภานช่อได้มอบหมายพาระให้การสร้างพระอุโบสถจึงเริ่มขึ้นโดยหลวงพ่อช่อจ้างช่างจากอายุธยากรุงเก่ามารับปากรับคำแข็งขันว่าจะสร้างให้เสร็จภายในสองปีเพราะเคยสร้างมาหลายครั้งแล้วพระเจริญมั่นใจว่าต้องเป็นไปตามนั้นเพราะสิทธก้นกุฏิหลวงพ่อสุข ทำนายทายทักไว้เย็นวันหนึ่งพระหลมไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับบัดนี้ผมก็หมดภาระหน้าที่แล้วเงินทองก็ได้มาถวายหลวงพ่อครบถ้วนผมจึงขออนุญาตไปหาวิชาความรู้ตามสำนักอาจารย์ต่างๆออกพรรษาแล้วหลวงพ่ออนุญาตให้ผมไปนะครับ ไม่รอให้โบสถ์เสร็จก่อนหรือน่าจะอยู่รอดูผลงานของเธอก่อนหลวงพ่อชอบทักทวงอีกตั้งสองปีคิดว่าคงรอไม่ไหวผมอยากศึกษาหลายๆสำนักจะได้มีประสบการณ์หลากหลายหากรอให้โบสถ์เสร็จจะเสียเวลาไปเปล่าๆถึงสองปีหลวงพ่ออนุญาตให้ผมไปเถอะนะครับท่านอ้อนวอน ตามใจจะไปก็ได้ดีเหมือนกันเธอยังหนุ่มยังแน่นศึกษาหาความรู้เอาไว้ไม่เสียหลายส่วนฉันมันแก่เกินแกงแล้วอยู่เฝ้าวัดต่อไปดีกว่าว่าแต่ว่าจะไปเรียนสำนักไหนละ่ะสมพานถามคงจะเป็นวัดปากน้ำภาษีเจริญครับอยู่จังหวัดทนบุรีใกล้ๆกับบางกอก สำนักหลวงพ่อสดนะซิฉันได้ยินมาว่าท่านเก่งมากแล้วก็เป็นคนแรกที่ค้นพบวิชาธรรมกายครับผมตั้งใจจะไปเรียนวิชาธรรมกายกับท่านภิกษุวยัยยี่ห้าตอบดีขอให้ตั้งอกตั้งใจเรียนนะจะได้มาช่วยสอนญาติโยมทางนี้บ้างอ๋อแล้วเธอรู้จักท่านหรือเปล่า หรือมีใครพอจะฝากฝังให้ได้บ้างหลวงทาราคุณปู่ผมคุ้นเคยกับท่านครับสมัยที่ผมเรียนอยู่บางกอกผมไปอยู่กับคุณปู่ที่บ้านสามกระไดแถวบางแวกมีอยู่ปีหนึ่งคุณปู่เป็นเจ้าภาพทอดกระถินที่วัดปากน้ำผมคิดว่าท่านคงจงผมได้เพราะผมไปวัดกับคุณปู่หลายครั้ง แต่ตอนนี้คุณปู่ผมท่านถึงแก่กรรมไปนานแล้วครับถ้าเช่นนั้นก็คงไม่อยากเย็นอะไรเอาเป็นว่าฉันอนุญาตแล้วจะไปอยู่นานไหมหลวงพ่อยอดถามคงสักหกเดือนครับถ้าเรียนยังไม่จบ <S <S ก็จะขออนุญาตจาพรรษาที่นั่นได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที <S <S <ๆ>่ยวมาตามใจฉันน่าไม่ขัดขอ้องออ แล้วเธอไม่ห่วงโยมจางหรือเห็นแก่มากแล้วอายุเท่าไรนะสมภารรู้ว่าพระหนุ่มใกล้ชิดกับโยมยายมากกว่าโยมพ่อและโยมแม่93ครับโยมยายยังแข็งแรงเพียงแต่ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นผมคิดว่าต้องอยู่ได้อีกหลายปีถึงวันเดินทาง พระเจเริญได้อาศัยไปกับเรยงซึ่งบรรทุกเป็ดไก่ไปขายยังบางกอกท่านนั่งลำหน้ามีเรือบรรทุกสินค้าพ่วงอีกสองลำลมพัดจากเหนือไปใต้ท่านจึงนั่งดมยะดมขี่เป็ดขี่ไก่มาตลอดทางเรยงใช้เวลานานเพราะแล่นช้าภิกษุหนุ่มทนเหม็นอยู่หนึ่งคืนกับหนึ่งวัน นึกว่าชดใช้กรรมที่เรารับจ้างออะแปะค่าเป็ดค่าไก่แล้วไหนจะตอนไก่ตายไปทั้งเล้าอีกท่านคิดไปในทางที่ดีนึกถึงไก่ยี่สิบกว่าตัวที่ต้องมาตายเพราะฝีมือการตอนของท่านจนถูกโยมแม่ด่าไปหลายวันไอ้ต้องของตาชุบนั่นอีกตัวเจ้าของเรือดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องการขบชันท่านเห็นแล้วสงสารที่เขาต้องมาประกอบมิจฉาอาชีวะซึ่งในสายตาของคนทั่วไปมองว่าไม่ผิดแต่ว่าด้วยอาชีพสุจริตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อบรุมรคผลถือว่าผิดเพราะทําให้ไม่สามารถบรรลุมรคผลได้มองในแง่ของกรรมจะของเรือ ก็ทํากรรมทั้งดําทั้งขาวกล่าวคือการขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าจัดเป็นกรรมดําหรืออกุศลกรรมซึ่งมีวิบากดําคือผลที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้กระทําส่วนการอนุเคราะห์เกื้อกูลท่านซึ่งเป็นภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมขาวหรือกุศลกรรมซึ่งมีวิบากขาว คือผลที่กอ่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปุถุชนทั่วไปมักประกอบกรรมทั้งดําทั้งขาวไม่มีใครทํากรรมดําอย่างเดียวและไม่มีใครทํากรรมขาวอย่างเดียวเมื่อกรรมมาให้ผลจึงทุกข์บ้างสุขบ้างตามอำนาจของแรงกรรมส่วนนักบวชนั้นเล่าหน้าที่ของท่านตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ คือศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและสั่งสอนธรรมะมองในแง่การประกอบกรรมจะอยู่ในประเภทกรรมไม่ดำไม่ขาวคือไม่เป็นทั้งอกุศลและกุศลซึ่งได้แก่การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดเพราะการรมไม่ดำไม่ขาวจะนำไปสู่จุดหมายคือพระนิพพานอันเป็นการสิ้นสุดแห่งกรรมผู้ที่เข้าถึงจุดหมายเรียกว่าพระอรหันต์ ซึ่งหมายถึงเป็นผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสทำลายกรรมแห่งสังสารากิจได้แล้วจึงไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปภิกษุวัยี่สิบห้าตั้งปฏิธานแน่วแน่ ว, นว่าจะเพียรทำหน้าที่ของนักบวชให้สมบูรณ์ที่สุดขณะเดียวกันก็จะปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายซึ่ง อาจจะเป็นในชาตินี้หรือในภพต่อๆไปขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ได้สร้างสมบำเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งอดีตและที่จะบำเพ็ญต่อไปถึงภัยบณ์ในอนาคตตการหลวงพ่อสดครั้นทราบว่าพระเจริญเป็นหลานชายหลวงทาราก็ปิติยินดีดังนั้นนอกจากจะอนุญาตให้อยู่ในวัดแล้ว ยังไว้วางใจเรียกให้มารับใช้ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์ก้นกุติพระหนุ่มจึงได้เรียนวิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อสดเป็นผู้สอนให้ด้วยตนเองหลวงพ่อเรียนวิชาธรรมกายมาจากอาจารย์องค์ไหนครับ พระเจริญถามหลวงพ่อสดในคืนวันหนึ่งขณะทำหน้าที่นวดให้ท่านอาศัยที่เคยนวดให้โยมยายมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กครั้นบวชก็ได้ปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อเดิมท่านจึงมีประสบการณ์ในการนวดเป็นอย่างดีจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษิเจริญภิกษุวัยหตอบ หมายความว่าท่านสมภารองค์กรชื่อเดียวกับหลวงพ่อเหรอครับพระน่มสงสัยเปล่าหลวงพ่อสดมีองค์เดียวคือเราผมไม่เข้าใจครับผู้มาจากต่างถิ่นสงสัยหนักขึ้นเธอจะเข้าใจได้ยังไงล่ะก็เรากำลังจะบอกกับเธอว่าเราเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยตนเอง ครับและก่อนหน้านี้มีใครเคยค้นพบมาก่อนหรือเปล่าครับท่านต้องการทดสอบว่าสิ่งที่หลวงพ่อชอบรู้มานั้นจริงหรือเท็จแม้เธอหนี้ช่างซอกแซกจริงแต่เอาเธอเราจะตอบให้เธอหายสงสยัยฟังให้ดีนะเราเป็นคนแรกและคนเดียวที่ค้นพบวิชานี้ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน เป็นยังไงชัดเจนหรือยังชัดเจนแล้วครับแต่ผมก็ยังอยากรู้ต่อไปอีกว่าหลวงพ่อค้นพบวิชานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และได้สอนลูกศิษย์สำเร็จวิชานี้ไปกี่คนแล้วภิกษุวัย25สห้าถามเพราะอยากรู้สมภารวัดปากน้ำนิ่งไปพักหนึ่งเพื่อทบทวนความจำและจึงตอบว่า นับถึงเดี๋ยวนี้ก็20สิปีพอดีและเราก็สอนวิชานี้แก่ลูกศิษย์ลูกหามาได้20สปีแล้วส่วนใครจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่ทราบเพราะไม่เคยติดตามผลอีกประการหนึ่งเรื่องอย่างนี้เขาจะไม่นำมาพูดกันเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรียกว่ามันเป็นปัจจัตตังทีนี้เข้าใจแจม่มแจ้งแล้วหรือยงัง เข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมขอถามอีกข้อเดียวคือว่าผมมาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อก็ได้เดือนเศษแล้วเมื่อไรผมถึงจะได้ธรรมกายครับถามแบบนี้ไม่น่าเป็นหลานหลวงทาราเลยไม่น่าจริงๆหลวงพ่อสดว่าคุณปู่ผมเกี่ยวข้องกับคำถามนี้อย่างไรครับพระนมรู้สึกงงเกี่ยวข้องซี พราะหลวงทาราเขาเป็นคนฉลาดและเราก็คิดว่าหลานชายคงฉลาดด้วยมองดูเหมือนเป็นคนฉลาดหลักแหลมเพิ่งจะรู้ก็ตอนเธอพูดออกมานี่เองรู้อะไรครับพระหนุ่มยังไม่มั่นใจนะักวันนี่คือการด่าจึงถามเพื่อความมั่นใจรู้ว่าเธอไม่ฉลาดนะสิแต่ไม่เป็นไรเรามีลูกศิษย์ฉลาดฉลาด มามากแล้วบางทีคนไม่ฉลาดอาจจะไปดีกว่าคนฉลาดก็ได้หลวงพ่อสดใช้วิธีตกหัวแล้วรูปหลังครับผมมั่นใจอย่างนั้นไม่งั้นคนโบราณเขาจะสอนไว้หรือว่าความรู้ท่วมหัวเอาหัวไม่รอดเราเคยได้ยินแต่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด พิษุสูงวายแยง้งแบบนั้นยังไม่น่าสมเพศเท่าไรเพราะหัวมันเล็กกว่าตัวแต่คนที่มีความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดนี่สิผมว่าแย่ที่สุดพระหนุ่มอัตถาที่บายเออเธอพูดเข้าท่าดีชักฉลาดขึ้นบ้างแล้วเห็นไหมพอได้มาอยู่ใกล้เรา เธอก็ฉลาดขึ้นเป็นกองหลวงพ่อสดตั้งใจยัว่วแต่ผมรู้สึกว่าผมฉลาดด้วยตัวเองนะครับการที่หลวงพ่อเห็นว่าผมโง่นั้นเป็นเพราะผมแกล้งโง่ต่างหากคืนผมทําฉลาดหลักแหลมหลวงพ่อก็ไม่สอนวิชาให้ผมนะสิครับนี่เธอเห็นเราเป็นคนขี้ริษยาอย่างนั้นรึหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา เป็นคนริษยาผู้อื่นหรือสมภารวัดปากน้ําถามได้เสียงปกติหาไม่ได้ขอรับกระผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นขอพระเดชพระคุณอย่าได้กโรกรธเกลิ้วโกรธาเลยนะขอรับพระหนุ่มยั่วบ้างเพราะรู้ว่าภิกษุสูงฆวัยเมตตาเวลาท่านเดือนเศษที่มาอยู่พำนักในวัดนี้ท่านได้รับความสะดวกสบายดีทุกอย่าง หลวงพ่อสดท่านใจดีให้ความเมตตาแก่พระลูกวัดทุกรูปโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแม้แต่ญาติโยมที่มหาท่านก็นุเคราะห์ด้วยดีนับเป็นแบบอย่างที่พระนุมจะต้องนำไปปฏิบัติสงสัยเธอคงเป็นลิเกเก่าสำนวนลิเกคล่องปากเชียวหาไม่ได้ขอรับกระผมไม่เคยเล่นลิเก เพียงแต่เคยตีระนาดให้ลิเกเล่นครับเขียนเรื่องให้เขาแสดงไม่กล้าลงไปเล่นเองเพราะกลัวพระเอกเขาจะตกงานขอรับผู้อ่อนวัยกว่าแซงดัดเสียงให้เหมือนลิเกพูดแน่ใจหรือสมพานวัดปากน้ำถามอย่างนึกสนุกแน่ใจสิครับหลวงพ่อไม่รู้อะไรหนุ่มทั้งตำบลหนะไม่มีใครหล่อเท่าผม เวลาเดินไปไหนผมต้องถือไม้สองอันคราวนี้พูดได้เสียงปกติทำไมต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับก็พวกผู้หญิงพากันมารุมตอมจนผมรำคาญเลยต้องมีไม้สองอันเอาไว้แว่งกันไม่ให้พวกกลอนเข้ามาใกล้หลวงพ่อสดหัวเราะหึ่หด้วยคำที่พระหนุมเล่าเห็นท่านอารมณ์ดี รัจเจริญจึงถามอีกว่าหลวงพ่อครับเมื่อไรผมจะสาเร็จวิชาธรรมกายครับอันนี้ต้องถามตัวเธอเองเราตอบเธอไม่ได้หรอกถ้าเธอมีความพยายามเธอก็สาเร็จเร็วถ้าเธอเกียจคร้านรับรองว่าไม่สาเร็จเอผมว่าอีกยี่สิบปีละมั้งเพราะถ้าสาเร็จเร็ว ประเดี๋ยวจะเก่งเกินอาจารย์ขนาดหลวงพ่อยังใช้เวลาตั้ง20สิบปีมันไม่เหมือนกันหรอกนี่เธอแสดงความไม่ฉลาดออกมาอีกแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันแสดงออกมาเสียให้หมดจะได้เหลือแต่ความฉลาดหลวงพ่อด่าผมอีกจนได้พระนมตัดพอเธอนะ่ะเราไม่เคยด่าใครบ่อยนะักถือว่าเป็นโชคดีของเธอก็แล้วกันนะ ครับผมจะพยายามคิดอย่างนั้นดีแล้วทีนี้เราก็จะบอกกับเธอว่าหากเธอใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเธอจะได้ไม่ต้องใช้เวลาถึง20สิบปีสำหรับเราต้องใช้เวลามากมายขนาดนั้นเพราะยังไม่มีผู้นําทางเราบุกเบิกด้วยตัวเองส่วนเธอเท่ากับมีผู้บอกทางให้แล้ว หน้าที่ของเธอคือต้องพยายามเดินทางให้ถึงจุดหมายนั้นโดยเร็วเอาละเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่ห้องได้อย่าลืมพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าวายะเมเทวะปุริโซยาวะอัทธะนิปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จ พรจจะเจริญกราบพระอาจารย์สามครั้งแล้วกลับห้องพักของท่านซึ่งอยู่ติดกับห้องเนนป่องท่านเดินผ่านเนนป่องกําลังนั่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังอยู่หน้าห้องจนคิดในใจว่าเราเห็นจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเสียทีกินกินนอนๆอนมาเดือนกว่าแล้วเกิดเนนป่องสําเร็จก่อนเราจะอายเด็กเพราะเราอายุยี่สิบห้า ส่วนเนนแค่สิบสองเข้ามาในห้องแล้วท่านจึงจัดการหาเทียนมาหนึ่งเล่มนำอาสนะมาปูที่หน้าห้องห่างจากที่เนนป่องนั่งประมาณสองวาท่านจุดเทียนปักไว้กับพื้นตรงหน้าตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาโดยใช้เทียนเป็นเครื่องจับเวลาจากนั้นจึงนั่งขัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือเหลื่อมกันแล้วจึงเริ่มต้นภาวนาสัมมาอารหังตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ว่าจะภาวนาอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าเทียนจะหมดเล่มห้านาทีผ่านไปท่านรีตาดูเทียนตรงหน้าเห็นพร่องไปนิดเดียวก็นึกทอ้อคิดในใจว่าคราวหน้าต้องใช้เทียนเล่มเล็กกว่านี้ จะได้หมดเร็วๆจากนั้นจึงหลับตาภาวนาเหมือนเดิมเวลาผ่านไปอีกสิบนาทีก็ยังเห็นเหลือเท่าเดิมจึงอดคิดอกุศลไม่ได้ว่าใครแอบมาขโมยเทียนเล่มเก่าไปเอาเล่มใหม่มาแทนเพื่อแกล้งเราหรือเปล่านะเลือบมองไปทางเนนป่องก็เห็นนั่งนิ่งตัวตรงหน้าตรงเหมือนพระพุทธรูป ตรงหน้าไม่มีเทียนปักอย่างที่ท่านก็ให้นึกอายเด็กจึงนั่งหลับตาภาวนาต่อไปเพราจิตจวนตั้งมัน่นความคิดเข้ามารบกวนท่านคิดโน้นคิดนี่เรื่อยเปยื่อยพอรู้ตัวก็กลับมากาหนดสัมมารอารหังนั่งต่อไปอีกสักพักก็รู้สึกง่วงจึงคิดจะกลับห้องไปนอนก็ให้นึกละอายใจตัวเอง เพราะตกเป็นาธาตุของความง่วงเหงาหานอนท่านจึงประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติมาครั้งแล้วครั้งเล่าง่วงเทไรก็ผลัดว่าพรุ่งนี้ตีสี่ค่อยตื่นขึ้นมาปฏิบัติต่อจากนั้นก็จังวัดครั้นตีสีได้ยินเสียงระฆังปลุกก็ผลัดอีกว่าตีห้าค่อยตื่นพอตีห้าก็ผลัดเป็นหกโมงครั้นหกโมงยังไม่ทันได้ปฏิบัติก็ต้องออกบิทบาทโปรดสัตว์ กลับจากบินทบาทก็ฉันเช้าเสร็จพอลงมือปฏิบัติได้ซักประเดี๋ยวก็ง่วงอีกเพราะท่านก็มีอันผลัดเพี้ยนได้ทุกครั้งวันนี้เราจะไม่ยอมแพ้จะขอสู้ตายท่านตั้งจิตใจใหม่อีกครั้งชำองมองไปทางเนนปองเห็นนั่งไม่กระดุกกระดิกทำให้ท่านมีกำลังใจถึงยังไงเราก็ไม่ยอมแพ้เด็กท่านคิดแล้วก็นั่งต่อไป เน้นป่องนั่งภาวนาครบสองชั่วโมงแล้วจึงกำหนดเลือมตามองตรงไปข้างหน้าแล้วเหลียวไปทางซ้ายจากนั้นก็มองไปทางขวาเห็นพระนุมนั่ ง, งโงกอยู่ก็รู้ว่าท่านเป็นคนใจดีจึงคิดจะแกล้งเล่นสนุกนกถึงอย่างไรฝ่ายนั้นคงไม่โกรธรู้จักกันมาเดือนเศษยังไม่เคยเห็นท่านโกรธใครสักที เนนวัยสิบสองค่อยๆ ค, คลานเข้าไปใกล้ที่พระหนมนั่งและพบว่าท่านไม่ได้หลับอย่างเดียวแต่ยังมีน้ำลายไหล ย, ยืดออกมาจากปากด้วยจึงจับเทียนไปลนที่ใต้คางท่านเหมือนที่หมอผีเอาน้ำมันพรายจากแม่นาคที่ท่านเคยดูภาพยนตร์สมัยที่ยังไม่ได้บวชเนนพระเจริญอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น ครั้นรู้สึกร้อนที่บริเวณใต้คางท่านกลับเข้าใจว่ากําลังจะได้ธรรมกายท่านกําหนดยืนตัวตรงและภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจเน้นป่องเลื่อนเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นเทละนิดจนเปลว เ, เทียนจะหลดคลางท่านพระหนุ่มร้อนจนทนไม่ไหวจึงลืมตาขึ้นดูเน้นนี่มันอะไรกัน ท่านถามเสียงดังไม่มีอะไรหรอกครับเห็นหลวงพี่นั่งหลับผมก็เลยช่วยแก้ง่วงให้พอดีผมอยากหาอะไรเล่นสนุกๆอยู่ด้วยเน้นตอบตามตรงไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือทีหลังอย่าเล่นพิลึกแบบนี้นะหลวงพี่ไม่ชอบพระเจริญออกโกรธผมก็ไม่ชอบให้หลวงพี่นั่งหลับเหมือนกันนี่ผมแอบสังเกตมาตั้งเดือนกว่าแล้ว ไม่เห็นหลวงพี่ก้าวหน้าตรงไหนเลยอย่ากโกรธนะครับผมพูดตรงๆท้อยคําของเนนวัยสิบสองทำให้พระเจริญไม่กลาก้าโกรธหากเนนป่องไม่หวังดีต่อท่านก็คงไม่กล้าพูดตรงๆอย่างนี้เหลือบดูเทียนที่เห็นเหลืออีกเกือบครึ่งจึงบอกเนนว่าเอาเถอะหลวงพี่ขอบใจที่มาให้สติหลวงพี่ตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาจนกว่าเทียนจะหมดเล่ม ก็จะขอปฏิบัติต่ออย่างที่ตั้งใจเอาไว้ดีแล้วครับหลวงพี่หลวงพ่อท่านสอนแล้วสอนอีกว่าวายะเมเทวะโริโซยาวะอัฏฐะนิปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จหลวงพ่อท่านบอกว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ครับเนียนน้อยพูดเสียงใส